อรหัตสัมมาสัมพุทธตนะโมตัสสะอะคุวัตุอรหัตสัมมาสัมพุทธสักนะโมตัสสะอะวัตตุอรหัตสัมมาสัมพุทธสักอาลาหะเวปัญจคันธาทีเอต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 ก็คิดไม่ถึงว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะมามากขนาดนี้เวลานี้ที่ว่างในสลาพระวิมิตไม่มีเต็มไปหมดแสดงว่ามากจาหลายจังหวัดแล้วบรรดาจำพุทธบริษัทตั้งใจมาบาเพ็ญกุศลผูกคนก็เลยตั้งใจคิดว่าต่อนี้ไปเราจะไม่มีทุกข์ผู้คนหวังหาความสุขบรรดาจำพุทธบริษัท ถ้าเราต้องการความสุ ก, ก็ต้องเข้าใจในขั้นห้าเพราะว่าอาการหนักข่งเราที่มีความทุกข์ที่สุดก็คือขั้นห้าในแก่ร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายยังมีขึ้นเพราะอาศัยร่างกายเป็นเหตุถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ป่วยการขาดข้องในชีวิตความเป็นอยู่กิขึ้นก็อาศัยร่างกายเป็นเหตุความแก่ยังมีขึ้นเพราะอาศัยร่างกายเป็นเหตุ ถ้ามีร่างกายความตายจะมีขึ้นเข้าะสีร่างกายเป็นเหนนตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระรมโลกกชเชษจึงกล่าวว่าภาระวิปัญจพันธะขันธ์หลายห้าเป็นภาระอันหนะักโดยการที่บรรดาพระพุทธไวยสัตย์หลายจะพ้นขันธ์ห้าได้ก็ต้องเมืองทางการให้การให้ทานไวเป็นปกติ จะเป็นปัจจัยบรรดา ธ, รรธุรกิจบริษัทคนขันห้าได้ในสักวันหนึ่งข้างหน้าพรทานเป็นปัจจัยตัดโลภะความโลภเป็นราภเราของกิเลสการให้ทานของคนทุกคนทานเป็นปัจจัยเกิดทรัพย์สมบัติถ้าเราเอย เ, เอินเรเอยไม่ไม่หมกิเลสในชาตินี้ชาติหน้าเราไปเกิดใหม่เราก็มีทรัพย์สมบัติมาก วันี้การให้ทานมีผลไม่เสมอการืดเพราะอย่างยิ่งการให้ทานกับคนที่ไม่มีสินให้ทานมากก็มีคนน้อยนิดเดียวบาทหนึ่งจะมีราคาไม่ถึงหนึ่งสตางค์ไ อ, สอ้สงฆ์เพิ่งได้ให้ทานกับคนที่มีสินบริสุทธิ์นี่จะเมีมีสงฆ์มากบาทหนึ่งจะมีสงฆ์ได้สิบบาท ถ้าให้ทานจากพระอริยเจา้าตามแบบขึ้นไปให้ทานหนึ่งบาทก็จะมีผลเป็นแสนเท่าถ้าบรรดาธรรมพุทรธสัตย์สลายถวายสังฆทานจะมีผลนับลา้านเท่าตามที่บรรดาธรรมพุทโธสัตธรรมนี้เป็นสังฆทานอาหารของท่าน ท, ทั้งหมดก็เป็นสังฆทานของที่นามาเพื่อเป็นสังฆทานก็เป็นสังฆทานปัจจัยทวตทัตจังถวายเข้ามาแตมาจัดเป็นสังฆทานหมด เขาต้องการน้บรรดาญาติาโยมบุญเลยสักตัคนที่เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระรามสุคตไม่ต้องการให้ใครญาติจนมันเพิ่งมาทุกคนนึกมากว่าอย่ายงไม่ไปไม่ผ่านเพียงใดแต่เกิดชาติใดก็ดีถ้ามันยังรวยอยู่ก็ยังมีความสุขพอสงควรการใช้ทานการให้ทั้งสองเหตุการณ์มีการยัให้ทานได้ก็อาศัยคุณธรรมสองอย่างคนหนึ่งเมตตาความรักสองคนหนาความสงสาร เมตตาความรักตายนครางสารสองตัวที่เกิดขึ้นในใจก็เป็นปัจจัยให้เกิดสินขึ้นมาในใจเองการปฏิบัติสินจะปรากฏขึ้นในเมื่อท่านมีสินแล้วไอสองของสินก็สีเลนะสุตติยันติสินเป็นปัจจัยเกิดความสุขต้นชาตินี้ชาตินาสีเลนะโคกับสมถานคนที่มีสินชาตินี้ก็ไม่หนักใจโรยสักสมบัติชาติน่าจะรวยใหญ่ ชีเลยนะนิพพินยันติสิ่งที่เป็นปจัจจัข้ามสมมติผ่านโดยง่ายเมื่อเมื่อทุกคนมีศิ่งวาใส่ในาาในตาในความรักุสุขสมัยการจิตใจก็ยกิดเย็นสมาธิก็เกิดในเมื่อสมาธิกเกิดปัญญาก็เกิดโดยรู้จักขันห้าว่าขันห้ามีสภาพไป่เที่ยงมาเป็นทุกข์เปรยียญตามีความเกิดขึน้นในเบื้องต้นมีความสุนทั้การมีการสลายตัวเป็นอดีต ก็เรียกว่าทุกคนตายหมดตอนนี้ตอนนี้อาตมาขอยแยเทศเรื่องพิเศษสักเรื่องหนึ่งให้แก่บรรดาเจ้าพุทธบริษัททราบเพราะการฟังเทศวันนี้อาจาตย์มาภาคแล้วก็ไม่แน่ใจว่าบรรดาจะพุทธบริษัหทหลายจะได้ฟังเทศอาจารมาต่อไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบทั้งนี้เพราอะไรเพราะว่าเมื่อปีพศสองพันห้าร้ยยี่บสาม ปีนั้นต้องตายไปประมาณสองสามชั่วโมงแต่ความจริงอายุไขยัยมันก็มาเองมีใค่ยี่สิบเจ็ดปีตอนนั้นเมื่อสมัยพ่อปานอยู่เขาเชิญ ม, มนง์พระศรีอานไปที่วัดบรโคพระศรีอานี่เขาต้องยกทั้งไต่คนตอนเด็กปีสองพระปานเขาเลยานั่งดูหน้าพระศรีอานให้อาจารย์เจ้าเชิดจะเป็นลูกศิษ ไอ้นี้มนตอะไรเรียกอตมาจักถินนอนพอดีเป็นเวลาสมาเป็นพระเจริดกรมฐานก็ลงงานหาท่านมีท่านองเดียวนั่าอยู่แล้วก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันนะให่ฉันเดีเธอวันนี้ใหญ่ให้จะรู้ว่าเธอจะตายเมื่อปีไหนก็ลองยกพระษีอา่านดูยกไปปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่ ส, ส, สี่ปีที่ห้ามันก็ยกไม่ขึ้น อายุขึ้ปีที่เจ็ดมาที่อายุยี่สิเจ็ดปีย่อขึ้นเบามากท่านบอกว่าอายุไขัยของแกมีแค่อายุเจ็ดปีคอยต่ออายุเสียง <c oughs> อัตมาเวลามันเป็นกาชันทรงชานสำหรับผู้โฆษณาอยางม่ยัอ่อนอยู่แต่ชาเนี่ยหนักแน่นมากโดยเฉพาะยิองอย่งเรื่องทรมเป็นที่อยู่ของเราทุกวันเมื่อเวลาจะนอน ตั้งใจที่ทันจิตเสร็จเขาสู้ไปนอนบันพม่มเวลาก็ลงมาก็คิดว่าถ้าตัวเป็นผมได้ไปที่พอใจของเราแล้วเราจะตกนรกก็กลวงคาบอกว่าผมไม่ตกถ้าพระญาตายุคจิติจิตรีพระญาจะชอบใจมากเพราะการเป็นมนุษย์มันหนักมากมีภาระหนักท่านก็บอกว่าคนจะอยู่ต่อไปหายต่ออายุ อาตมาก็ไม่ตอบเพราะว่าในฐานะที่อาจารย์ย่อมมีความสามารถมีความรู้ดีความรู้สึกมีจารกันศาสตรกว่าวันรุ่งขึ้นอีกสองวันถ้าไปซื้อปลามาเร ม, มังใหญ่หลายสิบตัวแล้วให้พระไิตาอณาตามมาวอนที่แจ่ว่างๆช่วยปลาไปที่น้่งช่ว่า พอกวลาไปเทที่เป็นน้ำเสจกับองอาท่ากกราบท่านถ้าบอกว่าค่าต่อดูกันแล้วเสียท่านอาจารย์นี่อาจารย์ที่โง่รู้สิทำไมเนี่ยอาจารย์โง่ทั้งแก่ทั้งโง่ก็เป็นเพราะหลวงพ่ครับเขาจะอยู่ได้สิบปีก็บอกแ้ก็อยู่ไกลยิงกว่าจะตายแล้วกันหลังต่อมั่นตั้งเวลาสิบปีอาจารย์ก็เสียอัยี่สิเจดปี เมื่อหลังเรรกทัน้ำตาลก็เพื่อเกิดขึ้นมันจะตายตอนนี้หลวงพ่อปานมั น, านตายไปแล้วทำไมต่อพ้าพระเจ้ามาต่อทำไ้ต่ออายุบกผมไม่ต่อถ้าผมมีความรู้แค่นี้มีความสามารถแค่นี้ผมก็อยู่ผมได้การเป็นผมดีกว่าการเป็นคนที่ไม่รู้ว่าตั้แกจไม่ต่อฉันก็ต่อตั้งใจต่อให้ ต่อให้มาทีละสกาะละสิบปีต่อมาข้างหลังที่สุดต่อให้ถึงอายุ25 25. ปีสองพันห้าล้อยี่สิบห้า้สงรอยี่สิบห้าเนี่ยสองพันห้ารอยี่ิห้าเนี่ยว่าเบิกกันก็อบอกว่าถ้องมาขอตอบเพีงเท่า น, นาี้นะครับคุ้งแก่มากแล้ว ลนบากามากแล้วตอนนี้ผมไม่อยู่ผมแล้วท่านตายเพราะก็ไปนิพพานท่านาก็หอกไม่เป็นไรพอมาถึงปีพศ .2523 เวลามันท่านก็นทำให้ตายไนสองสชั่วโมงอาการตายของนั้ น, ปนแปลก <c oughs> ไม่มีโรคว่าตอนเช้าจุกติชั้นสอง คุณเขามาล้ล้างหน้าเสร็จก็ติดเ อ, ก, อ, ก, อกสารเท่ากัทำ ง, งานลงมาที่ตึกอินทรพงศ์หลังจากทำงานมาฉันเช้าเสร็จมะวางเอกสารเสร็จแล้วก็อยากเข้าห้องสวมเมื่ออยากเข้าห้องสวมเพราะว่าน่าไม่วมพระนั่ ง, ร, งรับมาไม่ขี้มาไม่เยี่ยวมันนึกไปทั้งหมดไม่ใช่น้าหมดอย่างเดียวมึดทั้งหมดแต่ไม่แต่มือยกขึ้นกค้าองไม่เห็นมือ ถ้าว่าจิตใจเป็นสุขก็มีความคิดว่าอาการอย่างนี้เป็นคนเป็นการของความตายถ้าตายเวลานี้เราไม่เห็นแตกอะไรจิตใจเป็นสุขถ้าก็ไปนิพพานนั่งอยู่นายสุดเพื่อนยกมือเข้ามาดเูเ ม, มองไ ม, ม่เห็นมือก็คิดในใจว่าในโลกนี้ที่พระต้องแต่พระเจ้าบัดไปแล้วก็ไม่เคยมีพระน้องใหม่ท่้นนิพพานมันโถส้ม ถ้าเราตายเโถส้วมมันจะเปลี่ยน ว, วันทั้งหมดถ้าหันทั้งหลายจะหมดบัสนามรมรามีใช่ไหมตายเป็นโถนาาขี่้หมาใหญ่อะไรนี่ถ่ายรูปมานขายรูปได้สตังค์มาเยอะเลยแล้วก็นึกในใจว่าหนุ่สิษย์สาแล้วก็มีมาก <c oughs> ถ้าเราทราบว่าอาจารย์ตายบนโถส้วมก็จะเป็นขายที่น่าจะใบเขาเลยลุกจากโถกส้วมมันมองไม่เห็นเลย เอาเมายค์คำข้างฝาคำเราเข้าออกมาออกวันหน้าประตูไปถึงหน้าประตูห้องมันทึกเสียงมันมีลมอยู่ก็เองนกายลงตรงนั้นก็เองนกายลงไปแล้วไอ้จิตมันก็ออกมาจากร่างก็ไปตินแดอยู่แค่จามันมีจิตวิสสาร <c oughs> ในบริเวณนั้นทั้งหมดสอนเช่นเดยกันทั้งหมดเต็มทั้งเทวดานางฟ้าพงษ์แล้วก็รหาหันเต็มหมดพลุไปนิพพานไม่ได้ หาทางไปไม่ได้เราไปเห็นพระพุทธเจ้ า, จจาเขาก็ไปกราบท่านท่านก็ถามว่าจะไปไหนรอก็จะไปนิพพานครับท่านบอกว่าฉันให้แกตายปีพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าอันนี้มันปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสาไม่แก่ตายไม่ได้ก็บอกว่าทั้าหลายตายได้หรือไม่ได้ลงมาแล้วจะไปานก็เลยบอกอันนี้ก็แล้วกันนะคุยอยู่พักหนึ กลับลงไปก่อนสัญญาเดิมมี 2,525 ถ้าฉันปล่อยให้เธออยู่ถึงยุ 2,525 ฉันยาเธอไว้ไม่ได้ชันกปีนี้ปีพอ .2,523 ฉันจะต้องทำให้เธอตายไปโชคราวก่อนให้ถือว่าเป็นการเกิดใหม่ประพรหมาหม่แต่เราก็จะไม่กลับท่านจะมาด้วยก็ต้องมาฉนันลูกเจ้านำต้องมา มาแล้วเข้าในร่างกายก็ค่อยเริ่มตายขึ้นมันยังมืดอยู่ก็หลับตาต่อไปอีกสักครู่หนึ่งเริ่มตายขึ้นก็ค่ส ว, ว, ว่างถ้าบอว่าใหเธอว่าวันเกิดใหม่ตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปนะฉันต่อให้อีกสิบปีก็เป็ว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายในการต่อสองพันห้าร้อยี่สิบสาม ปีนี้2534ครบ10ปีพอดีการครบ10ปีพอดีนี่จะต้องจะต่อให้จะไม่ให้จะไม่ทราบแต่ว่าการป่วยบรรดาญาโยมมุสบริษัทอาตมาไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมานั่งพูดกับญาโยมได้ตั้งใจเข้าบรรษามามันเป็การป่วยเคียดหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดิอนตุลาคม เมื่อท่านต่อและต่อให้วันที่ยี่ิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามทพโทวันที่สิบแปดวันที่1ิบแปดตุลาคมองพันาร้ามสิบสามตั้งแต่เดือนตุลาคมมามนป่วยหนักมากหนักเกินกว่าที่คิดว่าจะอยู่ได้ถึงขั้นท่นเดินรู้จักเจ้าสามครั้ง เวลาขาอยยูดเนื้นเมื่อกันท่าไปอย่างนี้ทนไม่ไหวอาการแรกอันหนักที่สุดคือหนึ่งถ่ายไม่ออกออมันมีอุจาระก้อนใหญ่ขวาลำไส้อยู่มันแข็งมากถ่ายไม่ออกแล้วต่อมาก็เป็นโกกรคความดันสูงต่อมาก็น้ำท่วมปอดแล้วก็หัวใจวิกกิจหัวใจไม่ปกตินอานั้นอาการอัเภายในก็มีมาก เปิดเกินน้ำไหลก็เจ็บอันเจ็บตั้งแต่คอไปถึงน้ำไส้จะิดเกินน้ำก็เจ็บอันนี้รินข้าวไม่ได้มาจริงๆเดินเสียแล้วนะการขับถ่ายก็แสนยากไม่ได้สวนแล้วก็ไม่เคยออกแล้วไปการบังเอิญอย่างยิ่งเมื่อวานซืนนี้บังเอินถ่ายได้น่ำวางนี่ก็ถ่ายได้แลการขับถ่ายมีชุนมมาขึ้ น, น, นกระายก็โปร่งขึ้น วันนี้จะมีการประคุณกระบาด ญ, ญาโโมกับโดยสัตว์ได้รายเฉพาะอย่างยิ่งวันที่สำคัญที่สุดเป็นตุลาคมคือวันที่สิบสามเดือนตุลาคมเมื่อวันที่สิบสองคออยู่ดีๆมันเป็นหัวเล็กๆคือมาเต็มคอแล้วต้องไปรู้จังสายยังไงพัดยืมหมอก็อนใจมากจนหมอทมุ่ทำเลย หมอที่เรายู่ันนี้ก็ดีหมอที่มรงเชื่อก็ดีติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างฝ่ายต่างติดต่อกันให้หมอก็ทําคอยเช็ดเรื่องอะไรงานหมวต้องเชทราบกันนั้นไหนวะหมอผู้ทาก็มาเช็ดสองสามวันก็เช็ดกลางเอ็กเรยเอ็กเรยใช้เครื่องตรวจเครนองตรวจเครื่ตวหัวใจก็มีให้เราทงานทุกอย่างดกไม่ไม่ไม่ถือไม่เห็นกะทำไหยาก ในการป่วยไข้สบายสิ่งที่ไร้แรงที่สุดมันไม่ปรากฏหมอหาไม่พบถ้าอาตมาทราบว่าส่วนที่รแ้แรงจริงมันอยู่ที่ไหนไหนึ่งเรื่ใจไม่ผิดปกติอั น, นี้มันก็เป็นอาการของความตายตการมีสองน้ําท่วมปอดก็เป็นอาการของความตายอาการทีสารความดันสูงเกินไปอันนี้ก็เป็นอาการของความตาย อาการนิสียอักเสบทั้งตัวข้างในทั้งหมดกินอะไรไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องความตายทั้งหมด <c oughs> ในเมื่อความตายมาเราเข้ามาเราคิดว่าวันนี้ เ, นเดือนนี้เป็นเดือนที่เราหมดสัญญากับพระเจา้าอาจจะตายเดือนนี้แต่โดยเฉพาะอย่างยิง่งวันที่สิบสองเมื่อในเมื่อค อ, อไป็เม็ดก็ใช้ยา ก, กวาดไปเคยยุบไม่แ ม, ม่ไม่ยอมยุบก็รุ่งขึ้นให้หมอตรวจ เพราะตัวคอแดงทั้งลําคอเลยครับตอนนี้พอคุ้นตกก่อกลางคืนไอ้ตัวแดงหายไปไม่กลายเแผลแผลเป็นลําคอคืนน้ำไข่น้ำลายก็เจ็บปืนม้าก็เจ็บมันมีการเจ็บหนักมากที่สุดในชีวิตที่เคยกลายกดมามันเจ็บตั้งแต่สองทุ่ถึงห้าทุ่มจนน้ําตาร่วงข้าวย่นน้ำตาทำมันจะออกยาก ใครตาจะ ก, กี้น้อยคนนั่นไม่เคยไม่เคยทตาโตรคแต่ถ้าเกิดเวทนาใด้เกิดขึ้นมาไม่ใคยตาโตรคนั่นมันโรคอย่างนั้นตามันไหลเองตอนถึงห้าทุ่มก็ตัดสินใจที่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิเวทนาโง่ถึงระดับนี้แล้วเราก็ไม่ควรจะอยู่ น, นี่เการหนึ่งก็เป็นวาระที่สิ้นสุดการสัญญาไว้เ <c oughs> ดือนเดนืดนเดืนตุลาคม ก็ออกจากร่างกายขึ้นไปตั้งใจจะเป็นนิพพานก็ไปไปที่เทวสถาก่อนไปหาโยมธรรมดาท่านคงมีคุณทุกขั้นขึ้นไปก็เข้าไปนั่งก็มีเทวดาแนวข้าพรมเต็มหมดก็ไปขอลาท่านบอกไอ้ร่างกายมัน ม, มีภพเวทนาห น, นักจะอยู่ต่อไปไม่ได้โยมโดยเฉพาะอย่างยางานนิ่งเขาอินเลยบอกว่าคุณอย่าพุ่งไปนิพพานเลย คุณไปแะที่จุลามนีก่อนความยิ้ท่านรู้เรื่องจะมาไม่รู้นี่เลยเข้าไปที่จุลามนีพอเข้าไปที่จุลามนีเราเหว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นมีเจ้พระพระห์ะหันเต็มจุฬามนีเต็มไปหมดเข้าไปสี่ครั้งข้าไม่เคยพระหันมากแบบนั้นแสดงว่าพระหันมาหมดเมื่อเข้าไปเขาก็ดูจุฬามณีเวยทั้งหมดละ ทา ง, งรถกควเฮ้ย hey, ประตูนิพพานยังไม่เปิดเลยจะไปไม่ได้มีองค์เียพูดพออะระหล่านั้นก็ว่าพระพุทธลาสท่านเคยเป็นทั้งพ่อและทั้งพี่มาก่อนโดยเฉพาะอย่างยี่การจะเปรำคานตอนหลังนี้ท่านจะมาสอนพระที่มาสอนแทงพระจาสี่องค์ในตอนแรกพระจ้าลงมาสอนเองก่อน แล้ว yes. ต่อมาก็มอบภาระให้อาจารย์สี่องค์สอนแตหนึ่งด้านปัญญาเป็นหน้าที่พระสัยอู่มาสอนด้านปฏิปันเป็นหน้าที่พระมหาวจายะมาสอนในด้านด้านอภินยาก็เป็นหน้าที่ของพระโมคคัลลามาสอนด้านพิจิุรญาเป็นหน้าที่พระอุรุมาสอนรวมความเมียจานสี <listened Short. S 2> ่องค์มาสอนสอยต่อที่จะตัดโยมเหตุธรรม เมื่อเป็นสอนจบทัางหกทั้งสามสี่ง 3, องค์มาสอนหนึ่งเดือนเมื่อหลังจะนั่งไปก็เป็นหน้าที่พระเจ้าโดยตรงหลังจะนั่งไปพระเจ้าก็ทรงรับรองผลของการปฏิบัติก็มีสัญญาต่อประมาที่นั้นไม่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าในช่วงไปหาพระเจ้าก็บอกว่าขอลาเพราะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่สิ้นสุดการสัญญาแล้วเรื่องขันห้าเป็นด้วยความทุกข์ งานทุกอย่างที่องมอบให้ทําทุกอย่างทุกเรืา่างราวร่างกายก็เจบ็บร่างกายก็ป่วยอาจจะเจ็บจะป่วยทำไมก็ตามถึงเวลาสอนต้นฐานก็ไปสอนอยังซอยส า, ยสายลมหนักมากไปซอยสายลมทีกลับมาเราเราสือเจ็ดวันไม่พอยังไม่ฟื้นก็ทนทําทํำไม่ทัาเต็มใจเอแต่ด้ว่า ในเมื่อละคันข้ามมันหนักแบบนี้ก็ไม่ขออยู่ท่านก็บอกว่าเอานี้ก็แล้วกันนะมันเจ็บมากไหมเจ็บบอก่านบอกว่าดูคอที่คอมันเป็นแผลทั้งคอจะกินน้ำก็ไม่ได้จะืินน้ำลายก็ไม่ได้ในเมื่อกินน้ำไม่ได้กืนน้ำลไไายมันได้อาหารจะกินได้ยังไงท่เลือกสาสารวมาดีชมมาพอาล้วไม่ดีชมไปดูหน่อยสิพ้าสม่ดีชมเราทำให้ตั้งสามครั้งแล้ว ท่านก็ลงมาพักหนึ่งท่านก็กลับขึ้นไปถ้าบอกเรียบร้อยแล้วครับกลับลงไปได้ <S <S 1> <S 1> พระท่ายเจ้าสมสั่งให้กลับอาตมาก็ไม่กลับ่ว่าการมาครั้งนี้ไม่ขอกลับแต่ท่านบอกว่าประตูนิพพานไม่เปิดเพื่อเธอก็ถามพรมก็พรมชั้นไหนมีที่ว่างมั่ง ทรมพวกท่านบอกที่ว่างเท่หกับท่านไม่มีคนอื่นมีถามเทวดานางฟ้าถามเทวดานาสวรรค์ช่านไหนไม่ที่ว่างมั่งก็บอกสวรรค์ที่ว่างเท่าับท่านไม่มีที่ว่างแล้ท่านมีที่เดียวที่จานไปไม่ได้ห้ามอยู่ในเมื่อมันไม่มีที่อยู่ก็ต้องลงมาพระพุทธเจ้ามาด้วยมาถึงกลางก็ให้แผลใ้คอมันหายไปถ้าสมบูรณ์พ้นทำให้หายไป หลังจากนั้นบรรดาแต่พุทธวิสัชทุกเพืามันก็มากแต่ว่าถ้าญาเยนจะถามพระวัดนี้ว่าธรรมาไปยังไงบ้างท่านไม่รู้ทั้งนี้เพราะอะไรเพระาะธรรมาไม่บอกให้พระทราบเพื่อพระทุกองค์มีงานประจำนี่คือการหนึ่งถ้าเป็นจะไปนอนเฝ้าไข่ไอไข่ประเภทนี้มันไม่เหมาะกันอนเฝ้าถ้าครูอนันตบอกว่าให้บอกให้พระมันนอนเฝวดีไหมเมื่อเราเป็นเพื่อน พ่อจะบอกเลยที่รู้กันบ่อย่ก็เอาคืคนพระครูอามันพระครูอโอท่านน้อยกรไใบบัลยาบัลยาบัติพี่บัลยาบัติี่นอนเฝ้าทั้งคืนตอนเฝ้ามานานแล้วนั่นนันไม่ได้บอกให้ทราบท่านก็ไม่รู้ในความจริงเนี่ยเมื่อกลับออกมาแล้วทีนี้มันก็อาการก็เครียดก็คิดว่าถ้าอาการขักถ่ายไม่มีขึ้นมป อ, อักอสารนีนก็ลงไม่ได้ เช็นการฟังคําพูดคนนี้บรรดาธะพุทธบริษัทอาจจะถือว่าเป็นการฟังคําพูดเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้นะไม่แน่นอนนะท่านนี้เพราะอะไรเพาะท่าพระธาตุเจ้าไม่ต่อให้อีกก็อยู่ไม่ได้ต้องไปแต่มีเงื่อนไขว่าอันดับแรกทา่านบอกให้หมดอายุเมื่อให้ตายได้เมื่ออายุ 2,525 แต่ว่าท่านมาต่อให้เมื่อวอ .2,523 ถ้าผุ้พอสสาสปีเป็นี้หกสิบปีหากว่าท่านผุ้พอสองพันหีิห้าก็ต้องอยู่ไปสองปีการชีวิตการเป็นอยู่นี่ก็ไม่ใช่น้าที่จะมาจะอยู่ได้หรือไม่ได้ถ้าเรื่องบนไม่เห็ดไปก็ไปไม่ได้เรื่องขอบรรดาธรรมุตุสัตว์นายท่ญญานคงทราบว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงทุกคนเกิดมาต้องตายดัง วิชาการรู้ต่างๆพระบรรดานญาโยมพระบริสุทธิ์พระเจ้าบอกให้ก็บอกให้ทุกคนแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังพอ่ให้ทุกอย่างเพื่อนม่ผ่านนี่ใครจะไปได้หรือไม่ได้เป็นหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่พระเจ้าตรัสว่าอัตตาเหตุตน้นาถัวตนระยองเป็นที่ทึ่งของตนถ้าเราไม่รักษาความดีคือหนึ่งทานการให้สองสิ่งการรักษา สามัญญาเราพิจารณาคำท่ายอมรับความเป็นจริงถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้ทุกคนก็จะหาความสุขไม่ได้นม่เมื่อตายไปแล้วถ้าทุกคนรู้จักให้ทานทยังไม่ปฏิบัติปฏิพัติเปลีนยนใดที่ชาติดีเกิดมันก็จะไ ม, ไม่มีความยากจนถ้าทุกคนรู้จักรักษาสน์ก็จะมีแต่ความสุขถ้าทุกคนทุกครู้จักใช้ปัญญาก็จะสา ม, มารถปฏิพัติได้โดยเร็ว นี่หวายหลายสานาทีหลังจากทำบุญวันนี้ไปแต่เช้านี้แล้วนะอตาตมาจะไปวงสวงฆที่หอนร้อยเมตรวันนี้เป็นวันเขารอห้าที่สามนะใครจะถวายลูกควมมล่นกักรูกรอห้ากันอตาตมาจะไปวงสวงแล้วก็จะเจิมรถเพราะเป็นเอิ้ไอ้คนไม่มัญญาย คนนี้จะตายดีมึงจูคก็ใหเ้เือว่าสุขชัยทัวรมีโฮลดมหหน้าท า, ายรถงานใหม่หนึ่งคันเป็นรถนอนนั่งได้นอนได้ชี่ได้อาบน้ำได้เยี่ยวได้เสร็จแต่ไม่ได้ดมเขามีส้วนด้วยมีห้องนอนเสร็จเป็นรถทัวร์ขนาดกลางก็จะไปเจอรถทัวร์แล้วก็เจอรถหลายหลายคันที่นั่นนะประเดี๋ยวท่านยาดโดยโบริษัท ถ้าเราทุกคนถ้ามาหิวข้าวนะเราก็จะพระให้พอเสด็จกข้าไปที่ห้ารยเมตถ้าไปทำไมที่นั่นถ้าใครไม่อยากเสียทรัพ์ก็อย่าไปที่นั่นนะทำไมอาตมาวงสูงแล้วก็จะตั้งขันไว้ใครอยากเสียทรัพ์ก็ตั้งเลยใส่ในขันถว า, ายเจ้พระที่จะสวดตอนใกล้เพลนแล้วถวายเพลน พ, พระ เพราะะเการกวาระาชุศลตงแัาที่ห้าเจ้าว่ตมาเองนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับ่ฟังก็จำค ด, ดีนะว่าการฟังเขาพูดคงพู่วันนี้ไ่จะได้ฟังต่อไปจะไหมอันนี้ไม่แน่นอนนกะ็ดูการชิ้นเดือนตุลาก่อนถ้าสิ้นเดือนตุลานี้ไม่ตายก็เวลาสอ้นวันห้า ร, หร้อไพร่สี่วันที่ห้าจที่ห ฉันโหยปีหนึ่งจ้าวปีพศสองพันหา้าร้สิบหกไม่ตายอีกธานี้ก็อยู่หลายปีเพราะอาจารที่ึ้นหาวุฒิเจ้าคนนั้นสมบูว่าเคยยังไปไม่ได้เคยจําได้ไหมว่าจะนให้ตายไปไหนให้ได้ไวกำหนดปีให้แต่ฉัะทั้งหมด้ก่อนแล้วนะแต่ว่าในเมื่อท่านกายไปอย่างนี้เราจะเชื่อว่าชีวิตจะอยู่นานนี่มันไม่แน่นอนนะักที่พระเจ้าตรัสถามว่าเอาอนำธาตุดวงวัดอนุน อ น, นันเธอคิดถึงความตายวันกี่ครั้งถ้าอนันสาวว่าออเอ่อเข้าวิจาร้์คิถึงความตายวันหนึ่วัในเจตประมาณเจ็ดครั้งถ้าโดยว่าอนันท์ถ้โดยว่าอนันต์น้อยเกินไปทีความตายเรต้องคิดไว้เสมอต่อที่ไปของดาชนโดยสัต์หลายทุกคนที่มาบราิบูรณ์ในวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ขอใทุกท่านมีแต่ความสงศ์จังหะทีพ่พระตนะองค์คนสมบูรณ์คนผล และเจงาเจริญฤทธจุรพิทพพรใช้ทั arises, ้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาภรั rix, ุปฏิพันธ์ห้าปัตนาเชียงไตเขาได้สั้นนงษฐานภาษาจุประการอาจมาภาพระธรรมนิยตจาณามาในเรื่องทั้งห้าโยุติปธรมเทศนาลงโขไวเดชเตนีเอวังพรมีตระกตาและฉน้